ปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรตอบไว้ด้วยนาะที่นี้คือข้อที่ว่าพระอาหารหันต์บรรลุมรรคผลก่อนแล้วจึงเจริญสมถะเพิ่มเติมจนได้ฌานสมาบัติและอภิญญาได้หรือไม่พูดถึงฌานสมาบัติก่อนตามหลักที่ได้อธิบายมาแล้วผู้ปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนาญาณิกซึ่งไม่ได้ฌานมาก่อนเมื่อบรรลุอริยามรรค สมาธิย่อมแนบสนิทเป็นอัปปนาถึงขั้นปฐมฌานและหลังจากนั้นไปผู้บรรลุนั้นสามารถเข้าผลสมาบัติด้วยฌานระดับปฐมฌานนั้นเพื่อเป็นทิธรรมสุขาวิหารต่อไปได้เรื่อยๆในเวลาที่ต้องการตามหลักนี้ผู้บรรลุมากผลจึงได้ปฐมฌานเป็นอย่างตำ่ำปัญหามีว่า พระอาหารหันต์ผู้ได้ฌานขั้นต่ำจะเจริญสมถะต่อให้ได้ฌานสมาบัติที่สูงขึ้นไปได้หรือไม่ปัญหาข้อนี้ถ้าตอบตามมติของอัทธกถาดีกาก็ว่าได้และโอกาสที่จะได้ก็น่าจะมีมากขึ้นด้วยเพราะมีภาวะจิตที่ช่วยให้สมาธิประณีตเข้มแข็งยิ่งกว่าก่อนท่านจึงอา จ, จเจริญขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องเสริมการสวยผลทางจิตที่เรียกว่าพิท ธ, ธรรมสุขาวิหารสังหาดีกากล่าวถึงพระอนาคามีผู้เป็นสุขาวิปัสสกะทำสมาบัติให้เกิดขึ้นในเวลาจมรณะเพื่อให้สามารถไปเกิดในสุทาวาสในทีฆนิกายอัตถกถาอธิบายสมาธิภาวนา ที่เป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารในทีฆานิกายปาติกวักว่าหมายถึงผลสมาปฏิชานหรือผลสมาปฏิชานและฌานที่พระขีนาศกทำให้เกิดขึ้นในภายหลังอย่างไรก็ดีมีบาลีที่น่าสังเกตแห่งหนึ่งในอังคุตระนิกายติกานิบาศกล่าวถึงการได้ธรรมาจักรสุขมีใจความว่า พร้อมกับที่ธรรมจักสุเกิดขึ้นอริยาสาวกยอมละสังโยชน์สามได้คือบรรลุโซดาปฏิพลต่อมาธรรมจักสุอีกราวหนึ่งผลจากธรรมะสองคืออภิชาและพยาบาทเท่ากับบรรลุอนาคามิผลอริยาสาวกนั้นเข้าถึงปฐมฌานอยู่ถ้าท่านถึงบรณกรรมในเวลานั้นก็ไม่มีสังโยชน ที่จะทำให้ท่านกลับมาอย่างโลกนี้อีกข้อความจากบาลีแห่งนี้มองแง่หนึ่งเหมือนว่าอริยาสาวกนั้นได้อนาคาผิก่อนแล้วจึงได้ปฐมฌานแต่ถ้าถือตามหลักที่อธิบายมาแล้วก็ต้องแปลความหมายว่าท่านเข้าปฐมฌานที่เคยได้มาก่อนแล้ว ในแง่ของการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นถ้าการทำริษรรอภิญญาเป็นกระบวนการที่ยากและกินเวลาอย่างที่บรรยายไว้นในวิสุทธิมรรคพระอระหันต์ย่อมนำเอาเวลาเละกความเพียร น, นั้นไปใช้ในการสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนเป็นการทำอนุสาสนีปาฏิหาริ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเลิศประเสริฐกว่าอิทธิปาฏิหาริ์ทั้งปวงดีกว่าจะมาวุ่นวายกับโลกิยะอภิญญา ที่เสี่ยงต่อโทษมักนำให้มหาชนผู้ยังมีกิเลสรุ่มหลงอยู่ในโลกแห่งความเลื่อนรางวุ่นวายกับสิ่งที่ลับๆ ล, ล่ อ, ลอหรือปลุกปุกโผ ล, ล, ล่ไม่อาจให้จะแจ้งชัดเจนและไม่ขึ้นต่อวิสัยของตนทำให้ละเลยความเพียรพยายามที่จะทำการต่างๆ ต, ต, ตามเหตุผลสามัญของมนุษย์กลายเป็นผู้คอยหวังพึ่งปัจจัยหรืออานาจดลบันดาลจากภายนอก ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาพระอระหันต์ท่านใดแม้จะไม่ได้โลกิยะอภิญญาไม่สามารถแสดงฤทธ์อะไรได้แต่ท่านก็มีฤทธิ์อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นฤทธิ์แบบอริยะหรืออริยฤทธิ์คือสามารถทำใจมองบุคคลและสิ่งซึ่งไม่น่ารักน่าเกลียดน่าชัง ให้เป็นผู้ที่น่าเมตตาเป็นสิ่งไม่น่ารังเกียจได้สามารถทำใจมองบุคคลและสิ่งที่น่าใคร่น่าติดใจให้เป็นสิ่งอนิจจงตกอยู่ในคติธรรมดาแห่งสังขารไม่น่าผูกใจรักปากใจให้ซึ่งเป็นฤทธิ์ที่ประเสริฐกว่าการเดินน้าดําดินเหาะได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นฤทธิ์ที่ไม่ใช่อริยะหรือไม่ใช่อริยฤธ อาจให้เกิดโทษได้ไม่ทำให้หลุดพ้นโลกิยะอภิญยาทั้งหลายไม่ใช่สาระของพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธศาสนาไม่เกิดขึ้นไม่มีอยู่อภินยาเหล่านี้ก็มีได้เป็นของมีมาก่อนพุทธการและมีได้ภายนอกพุทธศาสนามีใช้เครื่องแสดงความประเสริฐของบุคคลหรือของพระพุทธศาสนา คุณค่าและความประเสริฐของอภินยาเหล่านี้จะมีต่อเมื่อเป็นของท่านผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสบรรลุอาสวะไขแล้วแต่ถ้าเป็นของผู้ทุชนก็เป็นของมีโทษร้ายแม้ยิ่งย่อนกว่าคุณหากเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสบรรลุอาสวะไขเพียงอย่างเดียวหรือแม้แต่ดำรงอยู่ในอริยภูมิที่ต่ำกว่านั้นเป็นผู้มีศีล ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ก็ยังประเสริฐกว่ามีอภิญญาเหล่านั้นครบทั้งห้าแต่ไม่มีความดีงามเช่นนั้นด้วยเหตุนี้พระอระหันตสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนมากจึงเป็นพระปัญญาวิมุตตโดยไม่ได้เลื่อนเปลี่ยนฐานะขึ้นไปอีกแต่ประการใดและอีกมากมายหลายท่านแม้เป็นอุปโตภาคาวิมุตตแล้ว ก็ไม่ได้ทำอภิญญาห้าเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเรื่องของการทำริษที่คำภีวิสุทธิมักอธิบายไว้ไว่ายากมากนั้นคงอาศัยเขาจากปฏิสัมพิธามักโดยที่วิสุทธิมักตอนหนึ่งแสดงความยากของการทำริษว่าแม้แต่การบริกรรมกะสินก็เป็นงานหนักแก่ผู้เริ่มต้นหนึ่งในร้อยในพัน จะสามารถทําได้สําหรับผู้ทําบริกรรมกรสินได้แล้วการทํานิมิตให้เกิดก็เป็นงานหนักหนึ่งในร้อยในพันจะสามารถทําได้ครั้นนิมิตเกิดแล้วการขยายนิมิตนั้นจนบรรลุอัปปนาก็เป็นงานหนักหนึ่งในร้อยในพันจะสามารถทําได้สําหรับผู้ได้อัปปนาแล้ว การฝึกฝนจิตโดยอาการ14ก็เป็นงานหนักหนึ่งในร้อยในพันจะสามารถทำได้สำหรับผู้ฝึกจิตอย่างนั้นแล้วการจะทำฤทธิ์ต่างๆก็เป็นงานหนักหนึ่งในร้อยในพันจะสามารถทำได้แม้สำหรับผู้ทำฤทธิ์ได้แล้วการรวมจิตเข้าฌานได้ฉาพลันก็เป็นงานหนักหนึ่งในร้อยในพันเท่านั้นจะมีได้